ตอรนท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจดารงานต่างๆยังได้มาวัดเพื่อมา บำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขให้แก่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็น ค, คำาสอนที่มีคนมีประโยชน์เป็นคำสอนที่ จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นให้ให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเพราะพระองค์ทรงสอนความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเรานั่นเองเช่นทรงสอนว่าชีวิตของพวกเรานี้ก็แบ่งไว้สมส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเรียกว่าอาดีตส่วนที่สองเรียกว่าปัจจุบัน และส่วนที่สามเรียกว่าอนาคตอดีตก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเช่นเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะมาวัดเหล่านี้เรียกว่าเป็นอดีตไปแล้วส่วนปัจจุบันก็คือขณะนี้ขณะที่เรากําลังนั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่าปัจจุบันและอีกส่วนก็คืออนาคต คือส่วนที่จะตามมาต่อไปเช่นเราออกจากศาลางี้ไปเราก็เข้าไสู่อนาคตทั้งสามส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องกันอดีตเป็นเหตุทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันและปัจจุบันก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับเราในอนาคต และสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นนี้ก็คือการกระทําของเราการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจภาษาพระเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทําการกระทําทางใจก็คือความนึกคิดของเราเรียกว่ามโนกรรมการกระทําทางวาจาเรียกว่าวจิกรรมและการกระทําทางร่างกายเรียกว่ากายกรรม เมื่อเกิดการกระทําขึ้นมาแล้วก็จะมีเหตุตามมาเหตุก็มีได้สามลนะักษณะคือสุขจเจริญนัหรือทุกข์แล้วก็เสื่อมเสียหรือกลางกลางไม่สุขไม่จเจริญไม่สุขไม่ทุกข์ไม่จเจริญไม่เสื่อมเสียนี่คือสิ่งที่เราเกี่ยวข้อง กับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาทุบลมหายใจเข้าออกเพราะเราแทบจะไม่มีเวลาว่างจากการกระทำกรรมต่างๆเลยถ้าเราไม่ถึงแม้เราไม่ได้พูดอะไรนั่งอยู่เฉยๆแต่ใจของเราก็ยังทากรรมอยู่ใจของเราก็ยังคิดไปต่างๆนาน า, น า, น า, น า, นานคิดแล้วก็ทำให้เราเกิดความสุขได้คิดแล้วก็เกิดความทุกข์ได้ ถ้าเราคิดไปในทางที่ดีใจของเราก็มีความสุขมีความเย็นมีความสบายถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องใจของเราก็จะมีความไม่สบายมีความทุกข์ใจได้แล้วหลังจากนั้นแล้วก็ยังจะทําให้เราต้องไปพูดและไปทําอะไรต่อไปอีกแล้วก็จะส่งผล ที่จะกลับมาหาใจของเราอีกครั้งหนึ่งเช่นเมื่อวานนี้เราได้ทํากรรมในอนดีตเช่นเราได้คิดว่าเราจะมาวัดนี่ก็เป็นกรรมที่เราทํามาแล้วคือความคิดเมื่อเมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงเวลานี้เราได้คิดว่าวันนี้จะมาวัดแล้วเราก็ส่งความคิดนี้ออกมาทางวาจาพูดชวน ญาสเสนิทมิสหายว่าวันนี้มาวัดกันไหมแล้วเมื่อเราได้ชักจูงกันแล้วท่านต่อไปเราก็ได้เตรียมการเตรียมหาข้าวของต่างๆพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำอาอับท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกเดินทางมาถึงวัดนี่คือการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อแล้วก็ส่งผลให้เรามาถึงในปัจจุบันนี้ทำให้เรามาถึงที่วัดนี้ได้ถ้าท่าต่อไปถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราก็พูดชวนเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ออกเดินทางไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปอันนั้นก็จะเป็นอนาคตนี่คือความเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันระหว่างอดีต ป, ปัจจุบัน และอนาคตแล้วการกระทาเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดผลดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างไม่สุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกบ้างเจริญบ้างไม่เจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เสื่อมบ้างผลนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุแล้วไม่มีใครที่จะไปสามารถสั่งให้ผลเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุเช่นเราอยากจะเจริญอยากจะมีความสุข แต่เรานั่งอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรเราก็จะไม่สามารถเจริญได้จะมีความสุขได้เช่นเดียวกับเราก็จะไม่มีความทุกข์และไม่มีความเสื่อมถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ไปพูดไ ม, ไม่ไปในพูดในสิ่งที่เสียหายหรือไปในทำในสิ่งที่เสียหายมันก็จะไม่เกิดผลอะไรตามมาใจของเราก็จะรู้สึกเฉยๆ แต่ถ้าเราไปพูดไม่ดีทำไม่ดีใจของเราก็จะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจแล้วเราก็จะต้องรับผลจากการพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเป็นโทษที่ร้ายแรงก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเข้าไปขังคุกในตารางถ้าเป็นโทษที่ไม่ไม่หนักก็อาจจะถูกผู้อื่นตำหนิติเพียงอย่างนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้น และผลผลที่เราเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทําในอดีตในอดีตนี้นับไปตั้งแต่วินาทีที่แล้ว <c oughs> เรียกว่าอดีตแล้วและไปถึงถึงตอนที่เราเกิดตอนก่อนที่เราเกิดและตอนก่อนที่เราจะมาจุติอยู่ในครรของแม่เราในขณะที่เรา อยู่ในภพก่อนชาติก่อนเราก็ได้ทำกรรมทํากรรมทั้งสามชนิดอยู่ตลอดเวลาคือกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมที่เป็นกรรมมีทั้งดีและไม่ดีผลของกรรมเหล่านี้เขาก็รวมเขาก็รวบยอดกันแล้วส่งมาให้เราเป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนนี้มีร่างกายเหมือนกันแต่ มีสถานภาพไม่เหมือนกันร่างกายถึงแม้จะเหมือนกันก็ยังมีความแตกต่างกันมีร่างกายที่สวยกับไม่สวยมีร่างกายที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกับร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายที่มีอาการครบสาองกับร่างกายที่ไม่มีอาการครบ32ร่างกายที่มีอายุยืนยาวนานและร่างกายที่มี อายุสั้นนี่คือส่วนของร่างกายส่วนอื่นก็คือฐานะภาพทางทางความสามารถก็มีความต่างกันมีความฉลาดต่างกันมีความขยันต่างกันมีความประพฤติที่ดีต่างกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทาของเรามาในอดีตทั้งนั้นเมื่อเราทำแล้วมันก็จะส่งผล ให้เรามาเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธมันได้และเราก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าเราทำกรรมต่างๆมาไม่เท่ากันเราทำดีทำบาปมาไม่เท่ากันผลถึงส่งให้เรามาเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่กันอย่างนี้มีความแตกต่างกัน บางคนก็มั่งมีมีความร่ำรวยบางคนก็ยากจนบางคนก็พอพอมีพอกินบางคนก็มีตำแหน่งสูงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนใช้คนรับใช้คนสวนคนขับรถบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นพยาบาล สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากกรรมในอดีตทั้งนั้นที่ทำให้เราเป็นอะไรแตกต่างกันไปแต่ความเป็นอยู่ของเราในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดอยู่กับความเป็นอยู่แบบนี้ไปตลอดเราก็ยังสามารถที่จะทำความเป็นอยู่ของเรานี้ให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้หรือให้เร็วลงกว่านี้ได้ ก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในปัจจุบันนี้ถ้าไม่เชื่อลองไปไปป้นธนาคารดูหรือไปฆ่าใครดูแล้วดูซิว่าวันพรุ่งนี้กับวันนี้จะเหมือนกันหรือไม่หรือถ้าเราทำความดีก็เหมือนกันเราเสียสละมีเงนินมีทองร้อยจากช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันด้วยการทาอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วดูซิว่าันพรุ่งนี้กับวันนี้จะแตกต่างกันไหม มันมีเหตุมีผลคือความความเป็นอยู่ของเราในทุกระยะย่างก้าวของชีวิตของเรานี้มันเปลี่ยนไปตามเหตุที่เราทำกันในปัจจุบันนี้และในอดีตมันก็จะส่งผลให้ในอนาคตของเรานี้ขึ้นสูงเรือลงต่ำก็ได้ให้ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้ามาเกิด ก็เป็นเพียงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีการอาศัยบุญเก่าความดีเก่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตจึงทําให้พระองค์ได้มาเกิดเป็นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอยู่ในวัรทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของพระองค์ทรงสเสด็จออกจากพระราชวังสะละราชสมบัติสละลาภยศสารเสริญสุขของพระราชโอรส แล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชสัมมณะเพศอยู่แบบขอทานอยู่แบบผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างอาหารก็ออกบินทบาทโปรดสัตว์แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาจะสงเคราะห์ให้พระองค์แล้ว ก็มีเวลาอยู่ตามลำพังเปรกวิเวกทำให้พระองค์มีโอกาสได้เจริญการปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์ตมาสามพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถทำให้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้ พระพุทธเจ้าจะกราบขอพอรขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ว่าขอให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นไม่ได้ถ้าอยู่ในวังแล้วก็ทำบุญให้ทานแล้วก็ ก, ากราบพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ชีวิตดีกว่านี้มันก็ไม่เป็นไปพระองค์จึงต้องออกต้องออกบวชต้องส ล, ละราชสมบัติ ถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็คือการกระทำของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกบวชถ้าอยู่ในวังต่อไปก็มีการพยากาณ์ไวยว่าจะได้เป็นพระมหาจากกักรพรรดิพระองค์ก็จะต้องสืบราชสมบัติจากพระราชบิดาแล้วก็คงจะไปทำสงครามเพื่อขยายอาณาจักร ของพระองค์ให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นไปจนกลายเป็นพระมหาจักรพรรดิขึ้นมานั่นก็เป็นการกระทาอีกแบบหนึ่งแต่การกระทาแบบนั้นพระ อ, องค์ทรงเห็นว่าเป็นการสร้างเวงสร้างกรรมที่จะต้องไปใช้ต่อไปในอนาคตที่จะต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะลองได้ไปทำบาป ท, ทากรรมไปฆ่าสั์ตัดชีวิตแล้ว ก็จะต้องไปอาบายอย่างแน่นอนพระองค์ทรงพิจารณาด้วยปัญญาของพระองค์จึงทรงเห็นว่าชีวิตของพระองค์นั้นในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของพระองค์ในปัจจุบันและพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องการที่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไป พอทรงเห็นว่าการเกิดนี้เป็นความทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ปวด่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลาพลาคจากกันทุกข์กับการดิ้นโนต่อสู้เพื่อดำรงให้ชีวิตอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทรงมีความคิดที่ไม่เหมือนพวกเราพวกเรานี้คิดอย่างนี้ไม่เป็นกันพวกเรามีแต่คิดว่า จะทำอย่างไรให้เรามีความสุขมากขึ้นให้เรารวยมากขึ้นแต่เราไม่เคยคิดว่ารวยมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วมันคุ้มค่าหรือไม่กับการที่เราจะต้องแสวงหาจะต้องต่อสู้จะต้องทำบาปทำกรรมจะต้องทุกกับการดูแลรักษาความสุขและสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่เราแสวงหามาได้แล้วนานที่สุดก็จะต้องสูญเสียหมดไปทั้งหมดเลยไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเมื่อร่างกายนี้หยุดทางานเมื่อร่างกายนี้หยุดลมหายหยุดหายใจแล้วไม่ว่าอะไรที่เราหามาแทบเป็นแทบตายนี้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดเลยไม่ได้เป็นของเราแม้แสสตางเดียวเราก็คือใจ เวดวงวิญญาณที่ต้องออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ไปหาร่างกายใหม่เพื่อมาเกิดใหม่แล้วก็มาสแสวงหาใหม่มาต่อสู้ใหม่มาทุกขกับเรื่องราวต่างๆใหม่อีกรอบหนึ่งอีกหลายร้อยรอบอีกหลายล้านรอบมันจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตราบใดเราไม่ยุติการสแสวงหาเราไม่ยุติการไปเกิด ผู้ที่ทําให้เราไปเกิด น, นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือความคิดของเรานี่เองความคิดอยากได้สิ่งต่างๆนี่แหละทาให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปเที่ยวเราก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เราก็ต้องออกไปนอกบ้านไปเที่ยวถ้าเราอยากจะได้ข้าวของเราก็ต้องออกไปนอกบ้านเพื่อไปหาซื้อข้าวของถ้าเราอยากจะมีตําแหน่งเราก็ต้องไปสมัคร เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นสอสอแล้วก็หาเสียงแล้วเพื่อที่เราจะได้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นมันเป็นเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นคือความคิดมโนกรรมนี้เองเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องไปเกิดใหม่เพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วมโนกรรมตัวนี้มันยังไม่หยุดมันยังอยากไปอีกยังอยากไป ไปเกิดใหม่ยังอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายยังอยากจะไปเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีอำนาจว่าสนาต่อไปมันอยู่ในใจของเรานี่คือกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นตัวการนันสำคัญที่จะทำให้พระองค์นี้ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นพระองค์จึงพยายามไปศึกษาตามสำนักต่าง เพื่อที่จะหาวิธีหยุดความคิดของพระ อ, องค์หยุดความอยากของพระ อ, องค์ศึกษาที่ไหนก็ได้เพียงขั้นระดับหยุดได้ชั่วคราวคือทำสมาธิให้เข้าสู่ให้เข้าสู่ฌ า, านให้เข้าสู่ความสงบเวลาจิตใจนั่งสมาธิแล้วเข้าสู่ฌานเข้าสู่ความสงบความอยากสัง่งสาก็จะหยุดยุติชั่วคราวแต่ไม่ยุดติถาวร พอออกจากความสงบพอออกมาจากฌานแล้วมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่เห็นรูปที่สวยก็อยากจะได้เห็นเสียงที่งามก็อยากจะได้เห็นเห็นรถเห็นกลิ่นที่น่าที่น่าเสพก็อยากจะได้ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ความอยากจึงไม่สามารถถูกตัดได้ด้วยการนั่ง นั่งสมาธิเพียอย่างเดียวพระพุทธเจ้าเลยต้องลาจากอาจารย์ทั้งสองลูปที่ได้ทรงศึกษาที่ได้ทรงสอนให้พระองค์เข้าฌานให้มีความสงบนิ่งเพื่อยุติความคิดคือมโนกรรมได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถยุติได้อย่างถาวรก็ต้องคอยเข้าฌานอยู่เรื่อยๆต้องนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่ทํำยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะหยุด มนุกรรมได้อย่างถาวรแต่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้จากอาจารย์ทั้งสองรูปมาแล้วพออระองค์ก็ทรงพยายามปฏิบัติค้นคว้าหาวิธีด้วยวิธีการต่งางๆตอนต้นก็หลงไปคิดว่าความอยากกินอาหารนี้เป็นเหตุที่ทำให้ยังไม่หยุดความอยากพระ อ, องค์เลยหยุดกินข้าวหยุดฉันอาหารหยุดถึง49วัน จนกระทั่งร่างกายนี้สู้ผอมเหลือแต่โครงกระดูกมีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ใจก็ยังอยากกินอยู่เพราะองค์เจงทรงเห็นว่าวิธีอดอาหารอย่างเดียวนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะหยุดความอยากได้จึงทรงย้อนกลับไปคิดถึงวิธีของการนั่งสมาธิแล้วก็ทรงคิดถึงการเจริญปัญญาคือวิเคราะห์ดูว่า หาเหตุว่าอะไรทึ่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาในที่สุดพะองค์ก็ทรงสามารถพิจารณาได้ว่าความอยากนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนทรงคิดว่าพวกเราทุกคนคิดว่าความสุขนี้อยู่ข้างนอกกันอยู่ที่ลาบยศเสริญสุขกันคิดว่าถ้าเราได้เงินมาม า, มากๆเราจะมีความสุข ถ้าเรามีตำแหน่งสูงสูงเราจะมีความสุขถ้าเรามีคนยกย่องสรรเสริญเยือนยอเราจะมีความสุขถ้าเรามีรูปเสียงกลิ่นรสผูดพภาชนิดต่างๆให้เราได้เสกแล้วเราจะมีความสุขแต่ความสุขที่เราได้มานี้มันมีความทุกข์ตามมาด้วยเพราะเราได้เงินม า, มามากน้อยเพียงไรเราก็ไม่ได้สุขไปตลอด เราสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกังวลเกิดความหวงเกิดความห่วงกับเงินทองที่เราเนี่อยู่เพราะเรารู้ว่าของเหล่านี้มันไม่แน่นอนมีเงินในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะถูกคนขโมยไปก็ได้ถูกคนโกงไปก็ได้ถูกโจมต้นไปก็ได้เราก็เลยแทนที่จะมีความสุขกับลาบยศสารเสริญสุขเราก็ยังไม่หนีไม่พ้นจาก ความทุกข์เยอยดีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าการที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงนั้นต้องมีความสุขภายในใจเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบและใจจะสงบได้ใจก็จะต้องสละลาบยศสารเสริมสุขไม่หาความสุขจากสิ่งภายนอกทั้งหลายต้องหาความสุขจากภายในใจ และทุกครั้งที่เกิดความอยากหาความสุขจากสิ่งภายนอกก็ต้องคอยสอนใจไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนและเราไม่สามารถไปสั่งมันได้ว่าให้มันให้ความสุขกับเราตลอดแม้แต่สามีหรือภรรยาของเราเรายังไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราไม่ได้ตลอดเลยวันดีคืนดีเขาก็ด่าเราก็ได้ทาให้เราเสียใจก็ได้ ทำให้เราทุกข์ก็ได้ทั้งๆ ท, ที่เขาก็รักเราเขายอมร่วมหอร่วมหลับร่วมนอนกับเราแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเพราะตัวของเขาเองก็ไม่แน่นอนใจของเขาเองก็ไม่แน่นอนอารมณ์ของเขาเองก็ไม่แน่นอนความคิดความอยากของเขาก็ไม่แน่นอนบางทีก็อยากจะทาความดีก็ดีแสนดี พอเวลาอยากจะดื้อขึ้นมาอยากอยากจะทําไม่ดีขึ้นมาก็กลายเป็นคนโหดร้ายทารุณขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับไม่ใครสามารถสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้พิจารณาจนในที่สุดก็จงสามารถสอนใจให้ใ ห, หยุดจากความต้องการ จากความอยากต่างๆได้สามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากภายในใจได้ด้วยการคอยสอนใจอยู่ตลอดเวลาเวลาอยากจะได้ลายก็สอนว่ามันเป็นงูพิษนะมันเป็นระเบิดเวลานะมันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่กล่องของขวัญมันเป็นงูที่ถูกซ่อนอยู่ในกล่องเป็นลูกระเบิดเวลาที่ถูกซ่อนอยู่ใน ในกล่องนั้นข้างนอกกล่องมันก็ดูสวยเขาห่อด้วยกระดาษที่สวยงามผูกโบอย่างสวยงามเราก็อาจจะคิดว่าเป็นของขวัญอันวิเศษแต่หารู้ไหมว่าความจริงแล้วมันเป็นลูกระเบิดเวลาเป็นความทุกข์ที่จะรอระเบิดใส่เราต่อไปไม่เชื่อลองถามตัวเราเองดูสิว่าเรามีความสุขหรือเรามีความทุกกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ ทุกอย่างที่เรามีนี้มันให้ความทุกข์กับเราทั้งนั้นเราจะรู้หรือไม่เท่านั้นเองทุกที่เกิดจากความหวงนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วทุกที่เกิดจากความห่วงก็เป็นความความทุกข์แล้วความเสียดายก็เป็นความทุกข์แล้วความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปมันก็เป็นความทุกข์แล้วสิ่งเหล่านี้เราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากัน เรากลับไปมองเพียงด้านเดียวด้านความสุขเพราะได้สิ่ง น, นี้มาแล้วได้คนนี้มาแล้วเราจะมีความสุขแต่เราไม่คิดถึงเวลาที่เราจะต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปบ้างว่าเป็นอย่างไรมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสรุปได้โนยอย่างเด่นชัดว่าถ้าจะไม่ให้มีความทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น พราถ้าเกิดแล้วก็ต้องมีความทุกข์เพราะมีต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายร่างกายก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้และสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆลาภยศสารสนุขต่างๆก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเขาก็ต้องหมดไปไม่มีใครสามารถไปควบคุมบังคับสั่งให้เขาอยู่กับ กับเราไปได้ตลอดไม่ใ น, ในที่สุดพอร่างกายนี้ตายไปแล้วลาบยศเสริญสุขญาติเสด็จมิสหายที่เรารู้จักที่เรารักเราชอบเราก็ต้องจากเขาไปหมดไปเริ่มต้นใหม่อีกถ้าเราไปเกิดใหม่ก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ไปไปทุกข์กับชีวิตใหม่แล้วก็ต้องตายจากสิ่งต่างๆที่เราไปสร้างใหม่ ดังนั้นพอพระเจ้าได้พิจารณายอย่างนี้สอนใจอย่างนี้ก็สามารถยุติความอยากต่างๆได้พอยุติความอยากต่างๆได้แล้วก็จะไม่มีตัวที่จะส่งให้ไปเกิดในอนาคตต่อไปในเมื่อปัจจุบันถูกถูกยุติถูกถูกหยุดแล้วคือความคิดความอยากต่างๆถูกหยุดแล้วก็ไม่มีอนาคตที่จะตามมาต่อไปเหมือนกับรถยน ถ้าเราดับเครื่องแล้วรถมันก็จะไม่วิ่งไปไหนมันก็จะจอดอยู่ตรงนั้นใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากเราได้ก็เหมือนกับเรายังไม่สามารถดับเครื่องของรถยนต์เราได้รถยนต์มันก็จะต้องวิ่งต่อไปแต่พอเราดับมาแล้วมันก็จะไม่วิ่งไปไหนอีกแล้วชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าปัจจุบันนี้เราสามารถ หยุดความอยากต่างๆได้หมดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุททั้งหลายได้หยุดเราก็จะไม่มีอนาคตคือเราจะไม่ต้องไปเกิดใหม่เราจะไม่ต้องไปทุกข์อีกต่อไปแต่การหยุดของเรานี้ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนหรือเราตายจากไปไหนเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายเราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งอื่นเพราะความสุข ในตัวเหล่านี้มันวิเศษกว่าความสุขทั้งหลายเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์และเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันซึ่งสุดจิตของพพระพุทธเจ้าจิตของป้าหลานก็ยังอยู่ทุกวันนี้เหมือนจิตกับพวกของพวกเราต่างกันตรงที่จิตของพวกเรานี้ยังไปแบกกองทุกข์มาอยู่เรื่อยๆต่างกับจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระหลานที่ไม่ไปกวนเอาความทุกข์เข้ามาใสายใจของท่านแล้วเท่านั้นเอง ท่านั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการหยุ ด, ยดความอยากเรื่องการไม่ไปเกิดอย่าไปคิดว่าเราสูญหายไปไหนเราไม่สูญหายไปไหนเราก็ยังเป็นเราอยู่ครบถ้วนบริมูรณ์ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราไม่ไปกว้านเอาความทุกข์มาใส่ตัวเราเท่านั้นเองเรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยนะก็ขอให้ลองนำเอาคิดไปพิพจารณาดูถ้า เราอยากจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้เราก็ต้องยุติกรรมของเราให้ได้ยุติความคิดคือความอยากต่างๆให้ได้เมื่อเรายุติได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมีการไปเกิดใหม่อีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพ่างจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆอีกต่อไปนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ อดีตมันผ่านมาแล้วเราไปย้อนกลับไปไม่ได้มีแต่อนาคตเท่านั้นที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เราสามารถลิขิตอนาคตของเราได้เรากำหนดได้ว่าเราจะไปไหนได้จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อก็ได้หรือจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้ไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธเจ้ า, า, า, สสา ก, ก็ยุติให้เราไม่ได้พระสุริยสงสารก็ยุติให้เราไม่ได้ มีเราเท่านั้นแหละที่จะยุติได้มีเราเท่านั้นแหละที่จะช่วยตัวเราได้เราจึงเป็นอัตตาหิตอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของตนจึงขอฝากเรื่องของการมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเราทั้งสามส่วนคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตข้างหน้าการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอุสมผลบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอเป็นปัจจัยให้ทา่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเถิด